เอาผู้พันอะไรผู้พันพดมาดีขึ้นมจิตใจตื่นขึ้นแล้วดีรู้สึกไปเรื่อย่านที่เราจงใจทาตอนนี้ดูออกใช่หมตื่นแล้วนะแต่ตื่นได้หลับได้ถ้ามันหลับได้เนี่ยจงใจให้รู้เรืองความจรั คืออย่าไปเกียดคือเวลาปฏิบัติเวลาที่เราปฏิบัติในบางช่วงสติของเราไหวดีในช่วงที่ดีขึ้นเยอะเลยแต่บางช่วงมทําำําไปมันเสื่อมเวลาที่เราเจอภาวะบามเสื่อมก็อ่าตกใจถ้าตกใจเมไ่อดเราจะเกิดการย่นลงทางใจมากมากเกินยิ่งนิ่งแล้ยิแย่บางคนแย่ทีเป็นลาเรือนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสื่อมนะรู้ไปอย่างสบายแต่เสื่อมก็เสื่อม รู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆมันเสื่มได้มันก็จะเริ่มไ้เมันไม่เที่ยงความเสื่มก็ไม่เที่ยงนะถ้าจับหลักได้ว่ากแถ้าความเสริมก็ไม่เที่ยงเราจะไม่ตกใจพอเราไม่ตกใจใจเราไม่ดิ้นรนอันที่ที่ใจไม่ดิ้นรนมันก็ดีขึ้นมาเลยแต่ถ้าเรายิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งจบมันตกตกลงไปในโคลนยิ่งดิ้นยิ่งจบ ใช่ถ้าใจยอมรับนะใจไม่ดิ้นรนก็ดีขึ้นมาเลยแต่ถ้าใจไม่ยอมรับยอยากให้ดีตนะ่ จ, จะดิน้นยิ่งดิ้นเลยยิ่งแย่ดีและสุขภัณฑ์เรียนเป็นตื่นนะอาจจะตื่นยากมากยากมากกาตื่นตื่นตืนเลย้นต้องหมดนะ ค, คนคนไหนยังให่ตื่นทัคนนะคนคนลูกเดียวเลย มันไม่มีทางเลือกเลยเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะองเรีู้กายรู้ใจตาำความเป็นจริงได้ทุกครั้นรู้สึกเลยไม่กายมันไม่ใช่ตัวเราของตัวรู้สัวดูะมันไม่ใช่ตัวเรามันคันดีที่รู้สึกตัวได้แค่จริงขึ้นมาต่อไปก็ดู้ไปได้ได้จะเห็นเลยว่าจิตใจมันทำงานทั้งวันมันไม่เคยหยุดเลยทำทั้งคืนด้วยทำทั้งวันทำทั้งคืนไม่เคยหยุดต้อรู้ข้องดูนะเป็นบารจิตยอมรับความจริง กายนไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเขาอยอมรับของเขาเองหน้าที่ของเราก็คือคอยรู้บ่อยๆไม่ทําอะไรเพื่เดินขึ้นมาคำว่าโจกดจโจกดีทางศาสนาพุณจิตมัเริ่มทำงานผู้พันตลอดไม่ทงานตลอดแต่ถ้าเรามีสติบางทีที่มีสติตลอดเลยมันดับบางทีการทํางานมันดับทันทีเมื่อเรารู้สึกบ่อยๆบ่อยทีขึ้นมาทีขึ้ น, นม า, น, มานะ ปัญญาจแจกแจงมันไม่มีตัวเราการดิ้นรนทํางานนั่งใจก็จะไม่มีอาวิธชาเป็นความเห็นผิดว่ารูปนามกายใจนี้เป็นตัวเราคือไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามมันเป็นตัวทุกข์ไม่รู้ทุกข์มนนไม่รู้รูปนามพอไม่รู้อีกีิดว่าตัวเรามี ต, ตัวเรามีมันจะเกิดการดิ้นรนอยากให้สุขอยากให้ดียิงย่งดินยิงย่ ง, งทำงานยิ่งทางานยิงย่งตุง แล้รู้ทันทันทีที่รู้ทันไปกำปรุงแต่งดับรู้สึกตัวเตื่นที่มันกำปรุงแต่งขัดับไปดับไปทีละขณะขณะประดับไปมากเข้ามากเข้าแลสติปัญญาแทงตลอดไปมันไม่มีนองจริงๆริยกายนี่มันไม่ใช่เราการนี่ง่ายแต่จิตมันเป็นเราต้องรู้จนกระทั่งมันหมดความคิดนะหมดความปรุงแต่งมันหมดเองนะรู้ทันอยาไปทำอะไรเพราะมันหมดความคิดหมดการปรุงแต่งความเป็นเราจะมีไม่ได้ พเราปฏิปัญญาปัญญารู้ผ่านจิตไม่ใช่ตัวเราีิจิตเป็นธรรมชาติอันเนื่งชาติรู้ไม่ใช่ตัวเราพอปัญญาแจ้งไปเรื่อยเร็นอยเราเข้าถึงธ่รมะธรรมที่ทีาดระวังจตใจรู้นั้นระวังจะไปจงใจรู้ว่าเดี๋ยวดูว่ามีมีเรามันสงมันตั้งอยู่งนี้เป็นเจ้าแตกนย มันจะหน no ีหนีนีแล้วร่นกายจะเราถลํมตารู้ถลําไปเรื่อยๆเคยู้ัดตัวในบาั้งเราไปดูแล้วมันวิ่งหนีเราได้เป็เคลื่อนหนีเคื่อนหนีอย่าไปลงตาะหลตาลมันจะยึตัวเลยคล้ายๆเราไปทางานใหม่มาคัเป็นงานตาแทที่เราจะรู้ใทนไปเราทงานตาล ช่วยได้ไ่เลยือนเพราะเราสติเป็นจริงเกิดเนี่เรารู้ทั้งการที่ใจรู้ท้รูปทั้งนามแล้วะเริอมต้นหดรู้อันแรกหนึ่งแต่พอรู้เป็นเนีรู้ทั้งรูปทนามทการแั้งใมีปััสนาได้แตัวปัญญาได้แคเริ่มต้นถึงมีปรัสนาตัวปัญญาเริอมต้นเลยแยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่ากายอน่างปรัชนาที้แหลกกายไม่ใช่ ถ้าคิว่ากายานุปัสสนารู้แต่กายเช่นรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้อกเป็นปฏิการเท่ยกายานุปัสสนาจริงๆจะเป็นเรื่กายที่ของคุกู้สุกู้ใจเป็นคนรู้คนรู้แยกรุ่นแยกนามทาเวทนาก็เหมือนกันเห็นเวทนาเรื่งกายอยู่อีกนึงจิตอยู่อีกันแต่แยกรุ่แยกนามอแต่มาดูจิตใจก็แยกรู่แยกนามี เราจะเห็นเลยว่าตารามองเห็นเป็นเร่อรูปนะตาเรมองเห็นความรู้สึกของเราปกติเราได้ยินเสียงความรู้สึกกบเกิดเป็นเรื่องรางกายทุกใจร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสัมปันงั้นไม่ว่าเราจะทําสติปัฏฐานแทงหมวนใจบับใจนะเราจะเห็นทรกของรูปขนาดงั้นสติปัฏฐานเนี่ยทํายในอัหนึ่งก็คือปฏิภาณเราจะเห็นร่างกายทุกใจ พอเราเห็นกายเห็นใจบ่อยๆมัเป็นเื่อยมันวิเที่ยงมนเป็นทุกข์มันปรับไม่ได้เย่ากายเนี่ยเห็นง่ายเป็นทุกข์เพราะรู้กายย่างเราหายใจเข้าก็ทุกข์นะทุกมากๆหลังหายใจออกแก้ทุกข์หาใจออกมันก็ทับมันก็ทุกข์อีกแล้วพอหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกดังนั้นการเนี่คมันเกิดทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้นธาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใช่มแค่มนรูยกายแล้วก็เห็นที่มงกายเป็นทุกข์มเป็นเป็นอนัตตาครับ พอมาอตื้นจิตนะจิตไม่เที่ยงจิจเตเป็นใจทั้วันเลยแล้วก็จิตปังบพับไม่ได้จิจตเปนนต็นอนัตตาเราเห็นกายจิตเป็นอนัตตารูปนามเป็นอนัตตาใจจะปล่อยมันจะเห็นแล้วไม่มีตัวเรามีแต่กกรูปกนารูปนามไม่ใช่ตัวดีเป็นตัวผู้ใจก็จะหมดการดิ้นเถทุกวันนี้ที่ดินดน้นเถิดกเพราะว่าเรารักกายใจอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขก็ดิ้นไปเรื่อย เช่นอยากมีความสุขก็เที่ยไปดูหนังได้ดูอะไรดีๆแลจะสุขไปฟังเพลงแได้ฟังอะไรก็แๆ้ก็แล้วจะสุขวิ่หาความสุขทั้งันแต่พอเรารู้ทันใจนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีหรือแไปรับมะนะการที่ส่วนแต่งมายบนี่เพราะฉน้นถ้าอวิชชาเป็นทำลายตัดหายแล้วสูญทำลายคือความหลงผิดว่าอันนี้เป็นตัวเราเป็นตัวดีไม่ใช่ตัวทุกข์เรื่อตัวอวิชชา เราต้องผ่านว่ามันไม่ใช่ตัวดีมันไม่ใช่ตัวรามันมเป็นตัวทุกการที่จะทิ้งโดนก็ให้มันสุกให้มันดีก็ไม่มีใจเรื่องตื้นใจก็บฏการทํางานการดึงแตกใจกบฏทุกหนทุกหนเป็นเกณฑ์และแจกของเราสดิดไปเรื่อยทำงานจิตใจทํางานได้สิบสี่แบบไ ป, ไปดูไปฟังไปน็นโมเลี่นไปทิ้งเพไปสัมผัสทางกายห้าอย่างในทางกาย ที่เหลือในห่งใจเพื่อทาหน้าที่เกิดทาหน้าที่ตายทาหน้าที่ตัดสินอารมณ์หน้าที่เสนออารมไกนี้ใบไหล้ยินในจิตใจเราจะทางานตลอดเวลาเดี๋ยวยิ่ไปดูเดี๋ยวยิ่งไปฟังเดี๋ยวยิ่งไคิดเดี๋ยวไปสเดเป็นทุกเดี๋ยวเป็นกุศลไมางานตลอดเดี๋ยวก็หลงะวาผู้ผ่นเหตุผวาเนี่ยเวลาที่จิตเราขึ้นรับอารน่ะตอนที่มันจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่มันจะแย้งไปที่นึง มันจะลิมว่างๆอั่งมีช่องว่างอันหนึ่งมันว่างในสติปัญญาของเราจุดเราจะเห็นจุดนี้เราเลี้ยงเจิตนี้ไม่ใช่ดวงเดียวดวนี้เราเห็นเนีไม่ใช่ดวงเดียวมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปแล้วมีช่องว่างอันหนึ่งมาขึ้นเรียกให้เกิดใหม่ตั้งอยู่ดับไปแล้วมันจะแดงในช่วงช่อง่างมันไม่เป็นอะไรแต่รู้สึกนะมไม่ไม่ใช่ตัวเดียวเลยนะ การที่เราเห็นว่าจิตดวงนี S S ้กับจิตดวงนี้ไม่ใช่ดวงเดียวกันจิตของเราขึ้นมีปรัชนาจริงๆตัวนี้เรียงว่าุดยักปยัญญามันเป็นปััชนาจริงๆเนื่องจากเป็นนี้เราเข้ารู้เข้าถึงในปัญญาติดแก่รอบตึปับลมตับลมตับปัญญาติแกะกล้าขึ้นมาคุณได้เห็นเม่อวู่มันหน้าเบื่อนะจิตที่เป็นก้ศลก็ไม่เทียบจิตที่เป็นอธรมุศก็ตัดข้ามันไม่ได้ ความสุขความทุกเรื่องไม่ได so ้ทาไม่ได้จะเห็นว่าโม้หน้าเบื่อใจเบื่ออีกพวกเดี๋เห็นว่าโอ้หน้ากลัวแล้วเอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจะทาความสงบเข้ามาความสงบก็อยู่ช่วงกลางจะหาความดีเป็นที่พึ่งความดีก็อยู่ช่วงกลางจะเที่ยวหาความสุขความสุขก็อยู่ช่วงกลางหาที่พึ่งได้รู้สึกว่ามันน่าหบื่อบางคนรู้สึกว่ามีแต่พวกมีแต่กู จิตใจเห็นเบื่อบ้ากลัวบ้าเป็นเป็นโทษเป็นทุกข์บ้างนี่ต้องรู้ต่ำดีรู้ต่ำในความรู้สึกเบื่อความรู้สึกกลัวความรู้สึกก็เป็นโทษนี่กแค่ความรู้สึกจิตใจรู้แปลงนสุดจิตก็ไปสู่ความเป็นกลางจิตที่เป็นกลางจิตจะลิกดิ้นเป็นความสุขก็ไม่ดิ้นเพราะว่ารู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวเป็นความทุกข์ก็ไม่ดิ้นเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวและเห็นกุศลก็ไม่คุศงสร้างดี ในนั้นลก็ไม่เกลียดเว่าทั้งหมดมาล้ไปเมื่อใดจิตก็มาสู่ความเป็นกลางตรงนี้คือประตูของการบรุมารคผดันั้นจุดสุดท้ายที่เราจะปฏิบัติไปก็คือปฏิบัติไจจิตเป็นกลางเป็นกลางต่ความคแต่งทั้งดีทั้งเลวทั้งุกทั้งฟุ้งทั้งหยาทั้งลเียดทั้งภายในทั้งภายนอกเป็นกลางนะเนไม่ใช่ว่าเราไปดูตรงนี้แล้วมันหนีไปหรก็ตาไปอย่นี้หลงลไม่เป็นกลาง รู a, oh, Поэтому, so, be, so, so, ้อย่างสบายๆรู้นะรูปอย่างจะแสดงธรรมะให้เราดูตาที่เขาเป็นจริงในใจเราีแมแ๊บหรือเล่ดีผันเือต่ายเรียนสองถึงสาีนปีๆนเอาใหได้เนอดไปแจ้ก็ดีแจก็ไปดูนะแต่เดินแจ้งดีกว่ผู้พันนะตอนนี้ผู้พันตงแสงนไม่เป็นไรเราเป็นนายร้อย ไม่ในครันงปก่อนให้หลวงพ่อทต๊ะงกับครูเบขานี้ขาไม่เบงขาึ่าางพะวนี้ที่เรานังน่งนั้แล้วก็เติพวง่เ ง, ง, งใช่พะวานะนั้นเรียกว่าจิตเป็นอันนะตรสลจิขาดสติพะวงจิตเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่จิตมันลงไปรับลงไป่อนที่ ม, มันจะ ข, ขึ้นมารู้นมันมาวะงนี้เกิดขึ้นทั้งวนันเลย เวลาเห็นตาเราเป็น ouais, ุใจเราไปคิดคิดเสร็จจบเรื่องนึงจิตจะต้องต่อประวัติอยูแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่คนี้อาจจะไปดูรือไปคิดนึกไปฝ่าอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะสับวิตไปที่นั่นอย่าคิดเยอะให้รูอย่างที่มันเป็นนะอย่าคิดคิดมากยากนะจริงๆไม่ยากเลยง่ายสุดเลยแต่กว่าจะง่ายนันต้องรู้ต้องฝ่านะอย่างผู้พันก็อย่างเดีวสาปีสามที ไปรู้ไปหลงไปวันหนึ่งจิตมันแดงจิตมนหมดการรูงแต่งช่วงขณะนั้นนี่เห็นว่าถ้าไม่รุงแต่งมาเป็นเราไม่มีมาเป็นตัวตนเกิดจะปความรุปแต่งนั่นเงทันทีที่รู้ตัวาความรุปแต่งดับมเป็นตัวตนก็ตัดวสติปัญญาพันัวเหงี่บัมันเงนะเหงเลยไม่ตัวตนกนี้ใจนี่ไม่มีตัวตนยังท่จิตดูความเห็นผิดกดับลย ดสัจยะทิฏฐิเนี่ยเป็นสัญญโญที่ละได้ด้วยพัศนาทละได้ด้วยการเห็ น, นกิเลสตัสูงมานา่ารู้น่าจละได้ด้วยภาวนาด้วยการเจริญสติดังนั้นก็ละสัจยะทิฏฐิละด้วยการเห็นเปเห็นจริงดังน้เขารู้ของจริงเป็นขารู้วิการรู้รวจิจแยแกกันใจ ใ, จในแสดงของจริงให้ดูเมื่อสองลัคนมานหลอกนั้ น, นไปมี ผู้ญคนน่ก็มาช่างทผมมันโอ้านาดีเพื่อหาหนังสือเล่มเดียววิธีหนึ่งนะจนให้เขาไปตัสี่ห้าดูเล่มเดียวแล้วผ่านหนึ่งือน้น่งทาผมไปก็ดูจิตไปช่างทาผมเฟิร์นเดย์ทำไปก็คุยไปวันนี้ทำไปดอยู่ไม่นานเข้าแสร์ความเป็นกิลมบอกเลยร ดิฉันไม่มีดิฉันไม่มีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันทางานงมันไปมันถ้าดูนะมันไม่ใช่คนวิสายที่ทำได้แต่คิดมากยากหนาไม่คิดมากรูต้ตาม่ไ ด, ด้ของแว่เนี่ยแม่รนะักก็ทำได้โยมก็ทำได้ผูห้หญิงก็ทำได้นะทำได้ สังเกตใจใช่ชอบหนีไปเที่ยวหนีเปนกรอบหทุงชั้นเลยนีไปคิดใช่รู้ทนไม่ท่าแต่คอยรู้ทันถ้าเราหนีไปแล้วเรา่รู้ันนจะคิดเป็นวันวานเคิดไปเป็นวันแล้วถ้าเราหลไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเราไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือเราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเรารู้สึกตัวรูกายรู้ใจกายรูใน่แหละของจริงรู้่ ใ น, ใน่นไะป้งนคนไโป้งเนี่ยคุณพ่อทำทีโป้งนี่โปมนีไปแล้วมนีไปแล้วนะอย่าบังคับมันนะบังคับไปนะตลับกับการเผลอไ ป, ไปรู้สึกไหพอไม่เผลอไปก็บังคับบังคับไปก็ทักหนึ่งก็เผลอตรงนี้ดูออกไหมเนื่สองงานที่เราพูดจเจ้บาบ้างแต่เราทแล้วคู่เลยนะคอยดูแบบตรวงพ่าไม่ได้ตำนะหนินะหลวให้ดู บางคนไม่เข้าใจเนืองาหลวงพ่อวัดนี่ชอบดัดพินอยู่หลวงพ่อต้องการตัวกลงจริงๆในใจของเราไม่ใช่คิดเอาเราดูองของจริงในใจแต่พอไปทางานนะครับไปรู้ไปเรื่อๆันึ่งก็จะเข้าใจเขาไม่ใช่ตัวเราตัวเราต้อมีต้องหาตัวของจริงๆอย่าไปคิดคิดเอาคนที่ใส่ได้ใจลอยไปได้เลย รู้จักใจลาไหมเออด่ไไปหันไปดูเขาก็ลืมนนุที่ใส่เสื้อเหลืองไปดูเขาเราก็ลืมตัวเราเองคนนี้แอบไปคิดแล้วลืมตัวเองอีกล้วแ่มนี่ไปดูเขารืมตัวเองอีกละนี่ก็เหือนไปดูเขาลืมตัวเองเสื้อแดงเ่แจที่ิตั้งขาเถอกขอร้ายมนะรู้มหงใช่ไจิตใจเราใ กลอ่อมี่มีมายาปลุกข้อไล่ตรงนี้ให้ขึ้นบากของด้วยการรู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นการปฏิบัติต้องมีความสงข <c oughs> จิตที่เป็นมุโสจะมีความสุขถ้ปฏิบัติแล้วยิ่เครียดเครียดเคียดเปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทําผิดจริงจังไม่ให้แปลว่าเครียดจริงจังอย่าเพ่งเพ่งเพ่งหมือนกันจริงจังเราพอยามรู้พยอยามดู เครียดจเป็นากอยากดูแบบขับใจตัวเองเลยเครียดแล้วรู้สึกว่าล้วนะมเื่อเถียงได้หนีเป็นคนนะผมคุณระมัดระวังนะรู้ไหมแค่ใครหนูหันใ่มันจะผิดหรือสอ่ะไม่เลอไปก็บังคับมาส่วนใหญ่จะเผลอเวลาหลว่อชี้ไม่ได้ชี้โก้าก้เผลอเนี่ยบเผลอนะทั้งหลังนี้นั้นทั้งแถวเลยจะไยักหน้าเหมือใช่ใช่เผลอจริงจ แล้วน e ึกว่าหลวงพแสดงปฏิภาณไม่ใช่เรากมันเจอทั้งวันเจอกันทั้งโลกเลอชี้ไปตรงไหนถูกนะนไ่้คุณเสื้อเหลืองในลอยแล้วจักไหมคนนี้งนีไปอยู่ตัวเองนะถ้าเรารู้สึกตัวนะใจแรจะเบาเบแใจเราจะเบาจะอ่อนโยมเืินบานชี้ออกชี้ใจกันเลย คาจารย์องค์ท่านเยสอนที่รู้บาวบารู้หวานหวานท่านมีหวานหวานเนอรู้แล้วแบบมันยิ้มนิดนิมันมีความสุขแต่ๆที่นั่งข้าหน้าว่าทนี่ทำอย่างไทยแท้ๆเลยนะมาทีหลังนั่งหน้าอวกนี้ติดนิสัยนักเรียนนะมาฝันหลัง S <S <S แไง โ, โปรู้สึกไ้มโผล่ก็ยงบรรทับเยี่ยมเรยห่ไหมเนี่ยเขาคุณสังเกตไว้จิตมันดนีเป็นเที่ยวสังเกตนะนีไปเรือนี้ไปนี่ไปให้ฝ่ายรู้ผ่างดนะคุณผู้หญิงลงไปนะฝ่อยรู้สึกเนี่ยใจรอยแล้วน่นอยากจะรักษาแต่ะุณน่าเสีย เป็นใจลอยแล้วถ้าปากบอๆก็มีนะเป็นใจลยแล้วแลกบินตู้นะั่นสาวงามนีเข้นใจลอยแล้วนะมีเยอะอืนนะมานั่้างหน้าหลวงพ่อด้วยเหรยังรู้สึกตัวนะใจลายแต่มันน่าเกลียดญ่เอาฝึกการบ้า น, นไปเคยมาจำได้เป็นไงภาวนากันนีังไงบ้างเดียวก็เรีย อะไรนะยู่คนเดียวรู้างะเป็นดาวรอา้หลอถ้ายมแลตวหชอบุยลยโยาุยเอูเาว่ากียอนใหม่ๆนกางลกเยอะก็ต้องพเอสิำไมไม่เห็เป็นกรหล้วเนั่งมองหน้ากันเฉยๆาเป็นกต้องไปคุยกันคุยมากๆคิดยาก ยัยสิมที่มาใหม่สิคนนี้เคยมามเกิดชนะสคเคยฝึกไหมเคยปฏิบัติันมสี่คนนี้เักผู้ายกับผู้นําเคยอรฝึกกันไหนเออกิดตอลาแล้วแต่ว่าฝึกไม่ได้สติเกิดจริงส่วนมากเราจะเป็นเพ่ง จะเป็นเพ่งเ่งเท้าเพ่ท้องการรู้กเ่งหรืออย่างบางีเราติดอารมณ์คุณอาจารยสอให้บริกรรมกลัวน้องเราก็ต้องรู้นะวาถ้าให้กลดหน้องเพื่อสลัวน้องไใช่เพื่อให้แฝโกรเรามีคำกลวเก็ที่เราต้องกลัวน้องกลน้องกให้แฝงโกรดนี่เป็นเรื่องของสมรรถะ แล่จิตวิากรน้อย่ให้เราเตือนเองให้รู้ว่าความโกรนเกึ้นา่เรารู้ที่ความกรนรู้ที่สภาวะคกรจะพูขึ้นต้องส่วนมันป่พุทีขึ้นหน้าโกรมากๆทีกรนแรัวต่าขึ้นมาเรารู้ที่สภาวะองความโกนัรละ่าก็รุนแรงเท่ากันใ้คอรู้ที่เปวืองส ส่วนสภาวะเรจะแสดงธรรมะของจิงให้ดูแสดงมัไม่เที่ยงแสดการเป็นทุกขที่คนอยู่ไม่ได้แสดงหน้าตาบังคับไม่ได้หนึ่งห้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวคือรู้ายรูใจกายใจจะแสดงธรรมะที่เราดูเขาไม่เที่ยงนะเก็เป็นทุกข์เขามังคับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกการบังคับไม่ดิ้งหรือทาจิตไม่ดีมันปำลังเกิดขึ้นรือว่างโดดเห็นมันกำลังโกรก็ไม่เที่ยงหรือน ตัวที่มาได้นก็หายได้ไม่ต้องเป็นหลับพับที่เป็นหายราะงั้ทุกอย่างตามที่เเป็นเนี่ยหลักสมิติศสนานะมีพวกเราจะ่ฝึกมาจากตำแนักไหนก็ไม่เป็นไรที่แตกต่างกันของแต่ละตำนักก็คือตัวอารมณ์การมฐานต่างๆก็รายละเอียดทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆต่างๆแต่หลักก็ต้อเป็นอย่าเดียวกันเครื่องมือในการปฏิบัติมีสามตัวสาคัญ เรอที่หสติสติทําหน้าที่รู้ทานรู้ทานกับเส้นใยของกา ย, ากายนนราู้ทานกับเส้นใยของจิตจิตใจเราเส้นหยทํางานตลอดเวลาเราจะดูออกไหมเดี๋ยวนี้พิจิตรดีด๋ยวนี้ฟังเดี๋ก็ดูหลวพอรู้สึกไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังแล้วก็คินฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดดูออกไหมใครรู้ท า, านนะเขาแสดงความเป่นแปลงคือ แสดการบังคับไม่ได้หนึ่เนี่ยหรอเป็นไหมหนึ่งร้ไมใจลอยรู้จักใจ้อยไหมเน่ใจลอยรู้ทันหาือ่าใจอยไปแล้วถ้าดูไม่ทันจะนีไปไหนคุณเสดงอย่บังคับมันยังติดบังคับอยู่นะรู้สึกในเราบังคับตัวเองมีปคิดนะทราบไหมลืมการใจ เช่อตัวแรกคือสติสติเพราว่าความลารึกได้อย่าไปแปลสติมากำหนดนะถ้าใจปินดกแปลสติมาความเลึกได้มีความเพียรต่อไม่ใหกหนดนสถะารท้าทายถ้ากาหนดเริ่ฟุเมื่อหาการกาหนดก็คือปัหาอยางอธิบัติก็เลยไปกาหนดดันั้นถ้าใจปิดกสติเรื่อากหนดสติแต่ว่าความเวลารึกได้ สติมีล so ักษณะอย่างไงสติมีลักษณะที่จิตใจเราไม่เลื่อนลอยแบบจิตใจเราละลึกได้ถึงกายของตัวเองถึงใจของตัวเองสติทําไมถึงสติเกิดสติไม่ได้เกิดเพราะฝากให้เกิดสติเกิดขึ้นเองเมื่อจิตใจของเราจําสภาวะได้ เนี่ยเราจำได้เราเถือเป็นไงพอเราเถือใจลอยสติจะเกิดึันรู้สึกแม่ใจมันหีเป็นชั่วช่งหนีแว๊บแว๊บแวมันทำไม่ได้ต่อไปถ้าเราจำสภาวะได้ใจเรานีแว๊บบเนี่ยพอมันดีแว๊บ้สติจะเกิดขึ้นเองเพราะสติไม่ได้เกิดจากความพักที่เกิดแต่สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้หรืออย่างเช่นเราโกรเราจำได้ว่าควาโรธเป็นไงคุาใจอุตส่าห์โกรธเนาะโกรเนาะใหเราดูว่าความโกรธมันเป็นยังง ต่อไปเราจริตเรจับความโกรธไดนะ้พอความโกรธเกิดขึ้นสติตัวจริงจะเกิดขึ้นทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นความโกรธจะดับทันทีดับเองก็ อ, อะไรก็สติจะเกิโกกดโ่กลางคือโสไม่ได้ไม่ใช่เพราเราเป็นบริการที่ดับนะคนละนันบริการที่ดับเป็นสมถะแต่ถ้ามีสติขึ้นมาแนละ้วกือโดับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพื่อตัวไนดะ้คือตัวสติ ไม่มีสติก็คือไม่มีเครื่องมือที่จะรู้การ้ใจตัวเองมีแต่หลงไปในความคิดคุณิดออกไหว่าวันนึ่งเราคิดทั้งวันขนที่คิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเราลืมตัวเราเองลือการใจตัวเองคิดออกไหมตัวนี้เข้าใจไหมอย่างตอนนี้ลืมกายลืใจตัวเองใช่ไคนผู้หญิงเนี้ยเพราะเรารู้เรื่องคีดหลงอพูดใช่มางหลวงพอพูดแล้วก็ปคิดพอปิดคิดไปคิดมาเกตไเราลืตัวเราเอง มีร่างกายก็เหมือนไม่มีจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจข้อมูได้่หลงไปในความคิดเนื้อหลงไปในความคิดดังนั้นที่เรามีสติการรู้กายจิตใจไม่ไปมเปหลงไปในเลื่อนร้อยในความคิดในสตเิเลยในคำพิริยสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยไปหลักษณะถ้าขาดสติจิตใจจะเลื่อนลอยไปในความคิด เนื้สติตัวที่สองที่ต้องมีนะคือสมัมมาสมาธิสัสมมาสมาธิคือความตั้งมัน่นจิตใจเราตั้งมั่นในการรู้กายู้ใจเลยนะไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อื่นนะไปตั้งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การรู้การูใจมันเป็นการเิ่งมือทิ้งเท้าเ พ, เพ่งท้องทิ้งลมหายใจอันนี้ค่อยๆเห็นนะมีเรื่องที่ต้องเห็นเยอะเรียนทีเดียวเียนไม่จบนะต้องส่วนผสมนะ ตัวสัมมาสมาธิตแท้เนี่ยทันทีที่ทสติตัวจริงเกิดจิตจะเกิสัมมาสมาธิอัตโนมัติแล้วยัเราใจยพอรู้ว่าใจลอยมันจะรู้สึกตัวจิตจะตั้มั่นอยู่ที่ตัวงสัมม า, าส ม, มาธาิี่เกิดัตมเมื่อมีสติมมาาเกิดช่วขณะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงมเรยไปสติรู้ทันอีกัตั้งมันตัวสัมมาสมาธิก็เกิดนาขนาข อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิตัวต่อไปคือตัวปัญญาปัญญาไม่ใช่คิดเอาปัญญาไม่ใช่ป่าวาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติตัวเองรู้เราแในสภาวะใจเราาตั้งมั่นตะหนนารู้สภาวะต่อไปเรื่องจิตใจที่ตั้งมั่นอ่เนี่ยปัญญาจะเกิดนั่นในีนสอสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา พวกเราฟังประโยคนี้อ we ย no no ่าไปคิดว่านั่งสมาธิเยอะๆจะเกิดัญญาคนละเรื่องกันนั่งสมาธิเยอะเกิดความสงบไม่เกิดัญญาสมาสมาธิต่างหากแหละให้เกิดัญญาสมาสมาธินี่ยืนเดินนั่งนอนมีตลอดได้ถ้ามีสตินี่มีสมาสมาธิสมาสมาธิคือใจของเราไม่อยู่ในเรื้อตัตัวไม่ลึกลึกลึกลึกล้วนว่าจิตใจของเราอยู่กับเนืตับตัวรูากายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆ ไม่ก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายใจนิพพสนาปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของ ใ, ใ, นใจนี่เราดูกายบ่อยๆเข้าใ จ, คว า, าใจความเป็นจริงของกายกายนี่ตัวทุกข์นั้ น, ไ ม, นไม่ใช่ตัวดีกายนี้เป็นวัตถูเป็นต้นธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาจิตใจไม่เชี่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอตตาเรียกเรียกว่าเข้าใจความเป็นจริงนี้คือตัวปัญญา เมื่อเกิดตัวปัญญาและจิตเป็นปล่อยวามันจะเดิมในเในยคยรักในกายนี้มากเคยรักในจิตใจอยากมาความสุขให้จิตใจทุกวันเพราะรู้ว่าความสุขมันไม่มีจริงอยู่ช่วงต า, างแวบๆใจก็เกริ่มรีบรนใจปล่อยวางกายจะเป็นยังไงเรื่องของกายดูแลมันเป็นตามหน้าที่จิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างนี้ในที่สุสดจิตใจก็เกริ่มรีบร้อน จิตที่มันหมดแรงดิ้นหมดตัณหามั น, นพ้นทุกตรงนั้นนะนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าลิบราะไม่มีตัณหานิพพานมีชื่อหนึ่งว่ามิสังขารไม่ปรุงแต่งไม่ดินรนเมืเข้ารู้ไปในที่สุดเราไปจะได้ไปสัมผัสกับธรรมะที่สงบสันติมีความสุขมันหมดการดิดด้นรนเมื่อสัมผัสความบริสุทธิ์ได้ก็มีปัญญา ถ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาในบางจริงของกายของแใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรามันก็หมดความรักกายรับมันก็ไม่ต้องดิ้นมากทุกวันนี้ที่ต้องดิ้นเยอะเนอะเพราะว่ารังกายรับใจก็รับเกินเหตุเลยถ้ดิ้นไปด้วยหาความสุขไม่ได้ในปัจจุบันมีแต่หวังความสุขในอนาคตดงนั้นการที่เราหา ไปสังเกตจิตใจของเรามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นไปตามรู้ตามดูไปเรียกว่าการจเจริญจิตตาลัพธนาตามรู้ตามดูความรู้สึกของเราไปในที่สุดจิตมันก็รู้จักจิตมันจําความรู้สึกนานาชนิดไดพอความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่มันจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดที่เองมันราลึกขึ้นได้เองอ๋อโกรธไปแล้วอ๋หลงไปแล้อ๋ลัลมลงมีความสุขสติระลึกขึ้นได้ นาทีีสติราลขึ้นได้จิตใจเป็นกุศลนาทีเลจิตใจมีความสุขนทีความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิมีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นอย่างบางคนมีความสุขที่ได้อ่านุนสือก็มีสมาธิในการอ่ามีความสุขในการดูหนังก็มีสมาธิในการดูหนังของเรามีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจก็มีสมาธิในการรู้กายรู้ใจตั้งมั่นพอรู้กายรู้ใจได้เงื่อน รู้สึกก็เข้าใจกวาเป็นจริงรูปกายรูปใจรู้ทิศวงปัญญามีปัญญาก็ปล่อยวางความยึดถือในใจในใจแต่ก็ไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยตลอดสายการปฏิบัตินี้เท่านี้เองถ้าพวกเรารูบทำคิดว่าต้องทำอย่างไงต้องทําอย่างนี้ต่อเนื่องเดิมยี่งดุแต่งมกประกอบแย่ใหน่อยละลูปกาใจโบงู้สึกไหมก็รู้สึกไหม ก็ยังชอบบังคับนะบังคับยกะไปรู้จัแตจร้อยเมึงลืมตัวงนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมสงสัย่ะสงสัยเก่งที่นแล้วอยากพูดรู้ไหมนี่เรียกว่าปฏิบัติสงสัยแล้วก็ร้ว่าสงสัยนะแล้ปฏิบัติเสร็จแล้วสงสัยแล้วมานั่งถาหลวงข้อนะหลวงพ่อตอบให้ ได้ความจับกับบ้านได้ของจริงของจริงต้องดูด้วยตัวเองของจริงแสดงด้วการที่ใจของเองเนี่ยใจลอยอย่างเนี้ยมไม่รู้กายร้ใจรู้กายรูใจก็รู้ความจริงของกายรใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้งานจรนงานโจวยี่ว่าไเป็นไงส่งกลับบ้าน เจอีดูเหรอันจิ้มมันติ้ดทำงานมันทำงานทั้งวันจรงเลมมันทำงานได้ั้ง14แบบเนี่ยเดี๋ยวพ่งไปดูเดี๋ยวอี้ไปเังอเงี้ยคิดก็เป็นรูปแบบอนหนึ่งที่มันทำงานคือแทมใจมันมีชันท่า มัมีความสุขที่จะรู้กายรู้ใจที่จะพอใจที่จะรู้มันจะปรยัดรู้มันอยู่ที่ว่าเรามีฉันทาไหมก็มีฉันทะเราได้ยิ่ีอยู่แล้วถ้าเรามีฉันทะนะการปฏิบัติต้องประสบความสาเร็จง่ายมันอยู่ที่ว่าเรารักที่จะรู้ไหมถ้าเรารักที่จะรู้เนี่ยไม่ต้องเตือนไม่ต้องบังคับมันจะได้ฝ่ารู้เป็วอยอแต่ถ้าเราไม่รักที่จะรู้แล้วเรามีตัณหา เราอยากมีความสุขเราคิดว่าปฏิบัติดีเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่อยากปฏิบัตินะแต่อยากได้ผลเราก็จะพยายามตื่นใจครับไม่มีความสุขเหลือเวมื่อไรอาจารย์ไม่สลุ้มเราก็จะหนีไปแต่ถ้ามันมีความสุขที่ได้ปฏิบัตนะิไม่หวังผลแค่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วมันจะข ย, ยันรู้มันมีสัทชาพอใจที่จะทําเกดไม่หวังผลมีตัณหาเยหวังผลไม่อยากทําเกดอยากให้คผลิต มันอยู่ที่ว่าเราลูกตั้งคันพักใน ใ, ใจล้วไม่ใช่มีตัณหาอยากให้ผลของการปฏิบัติถ้าตัวยี่มีบางส่งที่ได้รู้กายรูใจเรด้ดีมันจะขยันรู้วิริย่างเกิดขึ้นเมื่อขยันรู้จิตใจเาจะไปจดจอ่อไปรู้ไปดูเร่อยเรื่ยอยว่าจิตตะเกิดขึ้นสติปัญญาเราค้นคว้าพิจาณให้ครัวในกายในใจเีื่มีมังสาเกิดขึ้น อีที่บาทสีมันเกิดขึ้นประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วมันอยู่ที่ว่าเรามีสัญชาตหบางคนท่านครูบาอาจารย์ไม่นั่งเฝ้าแล้วก็ไม่ทำนี่ไม่มีสัญชาตต้องถูกบังคับต้องถูกบังคับไม่ถึงทางพยายังต้องถูกบังคับหรือต้องบังคับตัวเองนี่นะยังน่าสงสารมากเลยแต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจนะพยายามเองแล้วมันได้ผลเร็วมัไม่หวังผลเหมือนคนสองคน มันเป็ทำงานนีนไม่ได้รับงานแต่อยากได้เงินเดือ น, นเองฝันเป็นเดือนนึงั้นมีความสุขวันเดียวอีกคนหนึงนั้นรับงานมีความสุขทุกวันเลยแต่ถึงปลายเดือนก็ได้เงินเดือนเองถ้าเราปฏิบาาาัติตระเวนฝนก็เหมือนได้คนที่ทำงานหว่าเนเดือนไม่ค่อยมีความสุขปฏิบัติไปตปุ้งไปยิ่งปฏิบัติยิ่งุ้งนะยิ่งตุ้ยิ่งขยัไม่อยากปฏิบัติ ในขณะที่คนที่ไม่ได้หวังคนรู้สึกการที่เรามีสติรู้กายก็มีความสุขมีสติรู้ใจก็มีความสุขเพื่อขยางรู้วิทยาเกิดจิตใจจดจ่อจิตใจค้นค้าใต้ควรในใจในใจมีมังสะเกิดก็เกิดความเข้าใจปัญญาก็เกิดขึ้นประสบความสําเร็จในการปฏิบัติให้ดูดูที่ใจเรานะใจเรามีความสุขที่จะรู้สึกตัวที่จะรู้กายรู้ใจก็ ไม่ไไมไยากห้าคนไหนรู้สึกคุกทุกจะยากมากโดยเฉพาะถ้าปฏิบัติผิดนะคุกเยอะอาจจะจิตใจรับการปฏิบัติอย่างปฏิบ like right ัติมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีศรัทธาแต่ไม่รู้วิธีก็อย่าบังคับกายบังคับใจตัวเองไปเรื่อยๆคิดว่าบังคับดีแล้วมันจะบรรลุทุกครั้งที่บังคับกายบังคับใจความทุกข์ก็เกิดคล้ายๆการปฏิบัติเร่องทรมาน แต่ว่ามีศรัทธาที่คือสามคนทยหลออใจเองว่าจะรูวทุกเรือ่องความเพียรไปฟังให้รูเรือเยกยกยเ่องแล้วไปปฏิบัติกัน่ง้านเนี่ยยกแก้วเคื่องดืมเนี่ยก็ปฏิบัติได้เป็นรู้สึสกเลยมันไม่มีตัวเรามีแต่รูปที่เคลื่อนไหวมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่ผมพ่อปฏิบัติให้ดูนะเนี่ย ดูเส็นก็เข้าใจนะครูบาอาจารย์หลก็เตียนปฏิบัติให้ดูท่านขยับท่านตื่นโรง้สมุลูกศิษย์ก็เห็นมืออาจารย์ทํานทำตามอย่างนี้ก็ไม่ตึ่ได้แต่เปิดหลวงอาจารย์คนไหนได้แก่หลงอาจารย์ไม่ถู่คนไหนเดินข้อหยิบถ้วยเห็นเตือนให้พ่อตื่นถ้วยแ้วก็ไม่ตื่นเลยรู้จัดใจลอยไหมคุณผู้ชายนะ มนอปฏิบัติเป็นระยะระยะค่ะว่าการช่วงนก็จะมนี้นมันกช่วงก็อันนั้นเป็นประดานะธรรมดาอย่างนั้นทุกคนเวลาที่เรามาดูการรู้ใจหรือฉพอรู้ใจของเราบางวันรู้สึกดีดีเหมือนมากคนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันทำาม่เป็นเลยเป็นไหมไม่รู้จะปฏิบัติยังไง ครูบาอาจารย์เคยสอนบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนแลาถ้าทุทธคันสอนว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเจริญเสื่อมเพราะว่าจิตนะั้นมันแสดงของจิงให้ดูมันแสดงความจริงก็คื อ, อมันเจริญได้ก็เสื่อมได้แต่เราอยากให้เจริญเราไม่อยากให้เสื่อมแใจของเราไม่เท่ากันที่ไหนเจริญเราพอใจกต่เสื่อม เ, เราดิ้นใจนะดิ้นดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสื่ อ, อมนะจอยจาไหมเพราะงั้นถ้าเมื่อไหรจิตเสื่อมอย่าตกใจ เสียนะนั้นรีดีใจโว้วก็เขาแสดงธรรมะให้ดูปัจจัเราเป็นกลาง น, นะเจริญฉับพัเลยมีเด็กผู้นหญิงคนนึ่นะเขาก็ดูจิตแรงดูได้ดีเลยมาที่นี่หลวงพ่อไปชมนะไปที่ทางกระตูเมื่อุ่มบาดันเม่กลุ่มผู้ชมมีแต่กลุ่มบูชาดันชมตอนี้คล้ยๆเป็นแชร์จะต้องรักษาใช่ไหมอันนี้เหนือมาก รักษาบ้างเลยคอยระวังกวันนี้คือแะจิตไหวคลิกนิสัยแล้วไปย่ออย่างเคร่งเครียดในที่สุดจิตก็เสื่อมนะมันเห็นพว่มัุบฟับฟุบฟไปหมดเลยเพรจิตมันทำงานเวยร์มันเ็นตีเรียดในการดูมากดูยันงงไปหมดเงงสับสนมาจิตใจสับสนจิตเจก็วายจิตเสื่อมจิตเสื่อมแล้วทำต้องพีาาทำให้ดีได้หาทางทำใหญ่นะทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ ทำอยู่ตั้งหกเดือนเลยไม่ดีเลยทําไปจนวันหนึ่งเออยังไวล้วเหนื่อยไม่ทำแล้วมันเสื่อมก็ช่างมันพอมันเสื่อมก็ช่างมันก็ดีฉับปัาขึ้นไปแต่ว่ามันต้องเสริมเพราเราปฏิบัติอยู่นะไม่ใช่เสริมเราไม่ปฏิบัติไม่เหมือนกันเนื่อถ้าเราปฏิบัติเราทุกวันตามรู้ตามดูของเราทุกวันมันจะเจริญแล้วมันเสื่อมอย่างนีใช้ได้เราจะเห็นเินพุทเหมือนกันทุกวันเอาพุทไม่เหมือนกัน เนื่ยแสดงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราปรทับไม่ได้ไม่แน่นอนแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเรจเริญถ้าขี้เกียจแล้วเสื่อมเราจะเกิดความสำคัญจิตถ้าฉันทำชันก็จเจริญชั้นทำได้เนี่ยที่มันเสือ่อมเพราะฉันไม่ทำเพราะฉนั้นเมื่อเราเจริญสติไปแล้วนะสิ่งที่สำคัญนี้คต้อ ง, งทําทบ่อยๆทำมเงื่อนตามต่อเนื่องไบ อ, อ, อย่าย่อหยอนนะทำทุกวันหลวงพ่อตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลย์นะยี่สนะิบสาคูพาสองห้า ศ่านสอให้ดูจิตไปเรียนในท่านตอเช้าดูตั้งแต่ตอนดูทุกวันดูตั้งแต่ตื่นเป็นหลับยุ่งเว้นตอนที่ต้องทํางานกต่ตอนตืนเปลือบเปลอก็เลยดูหรือตอนนอนหลับก็่ได้ดูเวลาที่เหลือดูรูปเดียวมันมีฉันทาที่จะดูรู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นเรื่องหน้าเอ็นเรารู้อย่างเงน้ยแง่แง่ทำไมเราไม่รู้จิตใจเป็นสึกจิตใจเป็นเรื่องหน้าศึกษาที่เรียนิจารณ ดูแต่ไม่ได้หวังคนอะไรเลยดูลูกเดียวมันรู้สึกว่ามันน่าดูมันน่าเด่นดก็เด่นเด่นเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายพอมันร้ายเราหาทางต่อสู้อย่างพอมันดีก็หาทางรักษาสู้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้รักษาอย่างไงก็เอาดีไว้ไม่ได้เข้ารู้เข้าถึงเป็นจิตใจเป็นมวดปัญญาไม่รู้อะไรไม่ได้จริงนะรานนี้ใจจะรู้ทุกอย่างด้วจิตใจที่เป็นกลาง การปฏิบัติในจุดสุดท้ายที่เราปฏิบัติกไปคือการวิจิตของเราเป็นกลางการสังขารหรืเป็นการเป็นกลางการรู้แต่งทุกชนิดความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามอยู่ช่วคราวไม่หลงดีใจความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอยู่ช่วงกลาวไม่เกลียดมันไม่ต้องไปเร่นมันแต่ไม่เป็นกลางรู้แต่ผู้พันรู้สึกไหมผู้พันรู้สึกไหมรู้สึกไหม อย่าบังคับมันนะเริ่มบังคับแล้วทราบไห ม, มนะฮะเอามือขยับเรือยๆคราวนี้หลวงพ่อชมนะคราบหน้าระวังเป๋นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องรักษาแชมป์แล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยสอนผมบอกว่าที่ทผมสวดมนต์แทนกันนั่งสมาธิ น, นี้เวลาสวดมนต์เนี่ยตอนที่ผมสวดก็ จะรู้สึกที่ปากขยับแล้วก็จะได้ยินเสียงขยับไปขยับมาเรื่องนก็ได้ฌานฐานทำใแตกจิตใจก็ได้สงบได้แต่ไม่ได้สวดเพื่อวังสงบนะสงไปง่ยหรือสวดระลึกถึงพระพเจ้าที่มีความสุขอย่างเวลาจิตใจเราวุ่นแล้วเราทาอะไรไม่ถูกแล้วเรากราบพระเวลากราบพันวางใจที่ดีๆมีความสุขได้ง่ายๆทาความรู้สึกเหมือนเราั้นพจ้าอยู่่ กลาดลงแค่เท้ากันทำบางสึกในใจเราเก็กลาดลงแค่เท่บาทกันจิตใจจะมีปีติมีความสุขมั่นฉับพลันเลยด้วยอำนาจของพุทธานุสติถ้าเรากลาดได้จิตใจมีความสุขมีความสงบรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความสงบปฏิบัติจะเลยไป่รัชนาต่อเลย ใ้ผมสวดตรนี้ืออ่อให้เกิดสมาธแทนกนนทนารานัแทนกันั่งเาะนังแ้เก่งนั่งแล้เก่งเปยเก่ ง, งชูฐานดูออกไมว่ า, วานั่งนึงเ่งน้อยลงะเก่งอนะแต่ยังมีนิดนเออผมรว่ามันเป็นความวยชินจริงจริงแต่ว่าเมื่อก่อนที่สังเกตเน้แต่ตอนหลังนี่จะเริเริ่มเห็นชัดว่าตอนนี้เราเป็น ดีเาเีย้สิ่งใหม่ขัดดีนะคอยรู้ไปอย่างที่เขเป็นคือการความก้าวหน้าของการปฏิบัติก็คือสติเราเกิดไหวไหมสติเขึ้นมาก็คือเราร้ทันเอเรารู้ทันได้ไวขึ้นรู้ทันได้ชัดเจนขึ้นแต่เดิมต้องปรุงแต่งหยาบๆถึงจะเห็นเช่นต้องโกรธถงเหนต่มาเราจะรู้ฝึกรือขัดใจแท็กๆก็เร่มเห็นสติเราเร็ขึ้น หตั้งข้าแต่การีเกรงมนเียกนคอเครีหลังเคยแล้วถึงจะรู้หรือนี้เกรงในใจนิดๆก็จะรับนสติจะว่องไค่อยๆเริ่มปมันเหมือนค่อยๆหลุดไปที่เราใช่ใช่เราเอราะแค่ๆทีแรอยู่ในที่แค่ๆรกรูหลังนะ่อยเดินไปได้เดินในป่าซึ้งๆค่อยๆโผล่ขึ้นเดินไปครูบาอาจารย์เราก็ทำไปเรื่อยๆราก็ทะลุออกที่แจ้ง มันแค่้ราแวกขยะทิ้งเรื่อยๆลเือแหวกทิ้งเรื่อยๆทิ้งขยเรื่อยผมเปรียบเทียเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับเวลาเราขวาขยะเสร็จแล้วเราชอบซื้อใต้มจะมองไม่เห็นอะไรเลยนล้มก็มันคงละเหลาของสมาธิสัมผักิเลี่ยว่าเอากินทับยาเนี่ก็จะตรงทับขยะไปเดี๋ยวนี้นี่เหมือนเลิกผงมา เออเรามีอะไรต้องปรับเออให้รู้เลยไม่ต้องปรับนะ่ <c oughs> มีอะไรต้องปรับนั่เป็นสิศผิดที่ผิดทฤษฎีที่ผิดให้รู้แไปรู้ไปจนกระทั่งกิเลสเล็ก น, น้อยก็แฝงอยู่ในใจเราไมได้แต่เดิมเราตั้งมว้ด้วยใจ ค, ครูบาอาจารย์เราส่วนใหญ่เป็นชาวล่าชาวนาท่านก็เปรียบเทียบกับด้านนอกเหมือนยินทับยากของเราชาวเมืองชาวครูเหมือนกลมทับที่ญี่ปุ่นไหม ตองประยัไม่ได้ผลสมาวะอันเดียวนี่พอรู้ทนร้นลวมันไม่ซ่อนแล้วค si ่อยๆค่อยๆแวกออกไปคที่ซ่อนอยู่กระสุเราแบก้นไปเรยปัญญาตัดฟอไปเรื่อยๆก็ถึงกว่ากระสุนรู้สึกเหมือนแปกนะตอนนี้พอมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในพอสังเกตเห็นเอ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงจาก ข้างนอกด้วหมายว่าการปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่รอกๆข้างแล้วก็สภาพแวดล้อมรอกๆตัวเรามันก็เปลี่ยนนะมันค่อยๆเปลี่ยนเออเปลี่ยนนะกพราะจิตของเราเป็นผู้สร้างโลกวันไหนจิตเรามองไตรโลกก็มงไตนะจิตของเราบองแหมโลกก็บองแหมด้วยจิตของเราโปรโลกงว่างะแล้วคนรอบๆตัวเราเริ่มมีความสุขแล้วเรามีความส่งให้คนแดล้อบเราเอง เราไปเราถึงจะชวนมาปฏิบัติได้บางคนไปเข้าบ้านมายิ่งร้ายตัวเก่ากลับบ้านชี้โมโหเจออะไรก็ดาาแกงพวกไม่มีสมมติทันที่ตัวกดีไม่มีใครก็อาด้วยเนาะแล้วปฏิบัติรู้าันตัวเองเนะจิตใจโด่งร่งเบาสะอาดสว่างไปด่อยคนรอบๆเบามีความสุขในนี้เราพอชวนได้แค่ปฏิเวทหรืงิเ กลัวไม่เงียบอ้กลัวไม่กงีย <c oughs> เป็นเงียบ้างอะไรนะแล้วก็วมีชันทากว่ะมีที่ยากเกินแต่รู้สึกไหมเวลาปฏิบัติแล้วเริ่มมีความสุขการที่เราปฏิบั ต, ติไปแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันจะทําให้เรารักที่จะปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอะไ ร, รลยวเครงเค็ีดไปทั้งตัวนะมจะทําให้เรากลัวการปฏิบัติ ปฏิบัติถูกต้องเนี่ยจิตใจเรื่องสบายยิ่งประหยัดปฏิบัติยิ่งทํายิ่งยิ่งชอบยิ่งถายิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุกไม่ใช่ปฏิบัติแล้วยิ่งเครียดไปเรื่อยจิตที่เคลียดนไปยหากอุศรจิตนะจิตที่แข็งแข็งเครียดเครียดหนักหนักซึมซึมรู้รู้เนี่ยหากอุศรจิตจิตที่เป็นมหากุศรจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแวดว่างไวเกิดเหตุการณ์งาน นี้พอเราทําไปเรื่อยใจมีความสุขมันก็ยิ่งพยายามทํต่าไปคุณอรมณเป็นไงคุณอรมณยังบังคับอยู่หรือเปล่าเปลอ่ยงไหมเออนะยังไม่หมดนะจะทํำยังไงดีเออมันบังคับอย่างนี้เราจะทํำยังไงดีนะนั่นแะสีแล้วคุณอารงณ์จะทำยังไงมันบังคับไว้นั่นมันหนักหนักนี่เราจะทําไงดี รู้รูปเดียวนะอยากอยากแก้นะถ้าเราอยากแก้นะเรายิ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราอนไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้รูปเดียวเลยพอเข้าใจไหมต้องคนเข้าใจตอนนี้เข้าใจที่เห็นผลยังไม่ได้เห็นสภาวะเราอยากบังคับอยู่รู้สึกไหมดับใจที่อยากบังคับอยู่แล้วยังไม่เห็นปรากฏการณของรูปนาั้นเลยเนาะยังบังคับไหม การบังคับจิตให้นิ่งๆเป็นการิดกั้นการเจริญปัญญาแต่ถ้าจิตตุงสร้าต้องทําปรับสงบให้คอเราเล่นกันนะทำความสงบเพื่อให้จิตสงบได้พักผ่อนจิตใจมีกําลังแล้วมาเจริญปัญญาต่ออย่างนี้เรียกว่าทําสมถะแต่ว่าคิดจะปฏิบัติแล้วนั่งบังคับตัวเองนะตัวก็แข็งกายก็แข็งใจก็แข็งอันนี้ทําผิดแล้วรู้จักใจรอยไหม เงี้ยฟังหลวงพ่อก็เหนื่อยเลยผู้พันในปัญหามันนื่อยนะครับพ่อก็มีที่ฟังหลวงพ่อแล้วาว่ามโคตรมนอี่มันไม่รู้เฉยๆเลยพราะทำงนะให้รู้เฉยๆให้รู้ทันว่ามันพยายามเข้าไปจัดการแลให้รู้ทันแต่เราเนี่จะเข้าไปแทกแทงมันรู้นะว่าว่าเข้าไปแทะแทงรู้เฉยๆ รู they win, they ้ทันรู้เดียวใครทำเอกนะเดี๋ยวจะเหมือนเด็กผู้หญิงที่หลวงพ่อบอกไปไหนกูบันทึกชมนะรักษาชั้ตอนนี้แน่นยิดเลยอย่ากลัวนะอย่ากลัวอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปกลัวมันคอยตามรู้มันไปถึงเรื่องกลัวหรว่าห้ามมันไม่ได้งั้นอย่าไปกลัวมันเวลาเราดูจิตใจเรานะเรา เหมือนสำรวจสายตัวตัวใช้ตรวจเวลาดูนี่นะดูสบายๆใช่ไหมค่อยๆดูไปเรื่อยๆผู้ร้ายมาแล้วอยจัดการเหมเวลาเรารู้ทันแจงเราเราก็รู้เราไปเรื่อยๆคีเลนมานะก็ค่อยจัดการค่รู้ทันอยู่เฉยๆเราก็เฉยๆแบบสบายๆไม่เหมือนพวกทหารที่ยืนเ้าหน้าวางนั้นยืนตัวแข็งๆยืนสองชั่วโมงไม่จะตายยืนตัวแข็งๆแต่แบบพวก เต้าหยางตามบริษัทนี้นะั่งนั่ ง, น, งนอนนอนสบายผู้รายมาแล้วให้เกิดขึ้นมาดีกับมันใช่ไหมเริ่มเริเป็นอาหารเต้ายยั ง, <c oughs> ยงไม่หมดยังไม่หมดนะทำตัวเป็นไทยยาบเต้าผู้รายมาตื่นขึ้นมาบ้างตนะ้องติดติดการบังคับนะอย่างบังคับอย่างควบคุมตัวเอง ต่ะที่มากัดตรง ย, ยี่ในรอยเลยมผมยาวเนี<ม>่ยกุ้งเป็นไุ้ อ, อืญญมพยายามมานี่พูดผิดไม่ได้นะ ตรงตรงให้เป็นธรรมชาติเนี่ยกุ้งอยา่าไปบังคับให้เป็นธรรมชาตินะตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติตรู้ไ้มขนาดนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติยังแข็งอยู่รู้สึกไหมมันจะโปล่งโล่งไปหมดนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลต้องแกล้ง ว, ว่อไวเกินแกการงาน จิตจะรู้ตื่นเบิกบานจิตจะสงบสะอาดสว่างใช่ไหมดีๆทั้ง น, นั้นเลยโวกนี้ขนาดอยู่กันนั่นแหละแตอนนี้ยังบังคับนะพวกหัวแม่ยังบังคับมันอยู่ของพูดคุยนานยกเวอนไม่ต้องไล่ใครรู้ไปได้ไม่ดีแล้วอ่าแล้วชาใครมาไปขึ้นยังคนนี้ อายุเท <c ười> ่าไหร่แตวเนี่ยสิบแล้วเหรอสิบข้าได้แล้วเวลาอยากกินขนมนะให้รู้ว่าอยากก่อนนะเคยอยากกินขนมไหมแต่เวลามันอยากกินขนมนะรู้ว่าอยากนะเคยอยากดูหนังไอยากูกรตูนอะไรน้หมถ้าัอยากรู้ว่าอยากก่อนนะแล้วไ่ดูทีหลังให้รู้ว่าอยากก่อนก่เคยอยากออกห้แม่ ตอนนี้เกิดแล้วรู้ไม่เกิดเกิดรู้ว่าเกินะเนี่ยรับคารู้ใจของเราไปเรื่อยๆเด็กๆก็ห่างได้นะเด็กๆเด็กๆไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นเสผู้ใหญ่มันคิดมากคิดมากอยากหนักทำใจให้เหมือนเด็กๆนะไล่เดึกสาดูไหมันเป็นยังไงรู้ไหปฏิบัติกันไล่เด็กษาเลยปฏิบัติแบบคนมากมาก วางข้ามากเหนื่อยเพรียเชร่ยดข้างส่งกันบ้านเป็นไงรู้สึก่อยไหมหลวงออสบายแล้วประมาหาหลวงพอแล้วมันก็จะขยานเป็นสามีวัน แล้วก็เริ่มช่วยเเป็นครรมตาตาแหน่งหลวงพ่อรู้นะหลวงพ่อก็เปลี่ยนอยู่นะจำยก่อนไปหาครูบาอาจารย์แล้วชื่นอกชื่นใจมาไม่เกิอาทิตย์หรอกเนี่ยก็แท้เหรือนก่้นเ่ยถ้าเรามีโอกาสไปหาครูบาอาจารย์ก็สบายในช่วงแต่ถ้าไม่มีเวลาจะไปไม่มีค่ารถจดไปนะโหลำบากต้องช่วยตัวเองไปรู้ไปดูเราไป แน่ใจนีไปแล้วทรไนี่หลวงอไล่ลนเียบ้างก็สบายในช่วงี่เาหูไม่ได้ครัครัเพื่อช่วยฟังอย่างในห้องนี้ก็อาจจไม่ค่อยไนต่้หวงพ่อแ้่อนไปฟังได้ฟังยูพีสารได้ไหมฟังซีดี ก็คือเยอะๆประมาณอ๋อเลก็อ่านหนังส <pex> yeah. <vial hurry ing fit> so, right? yeah. ืออ mm ่านซับและซับย <m ars> <All right. S 2> <m ars ornaments> ิบอ่านไปอยอ่านบ่อยๆไม่ใช่อ่านอยเดียวแล้วบอกให้อ่านหนังสือแล้วก็ได้ย้อนมาอ่านใจของเราเองอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือทั้งหลายฟังธรรมะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติ มีวิธีปฏิบัติก็คือการที่เราไปตามรูกปกายตามรู้ใจของเราไปอย่าใจลอยอย่าเหลือไปอย่าบังคับตัวเองไว้ดังๆนิ้นนะ้หลวงพ่อแกะนะ่แล้วการที่เรารู้ทันกายรู้ทันใจมันจะเกิดในาวะของกันไม่ไม่รู้ทีละอันรู้ได้ครั้งละลอย่างเดียว อย่างตอนนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ไหมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็รู้เรื่องที่คิดอยู่ธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งหนึ่อย่างเดียวถ้าเราไปรู้เรื่องที่เราคิดอยู่ไปรู้อารมณ์ปั่นจเราก็รู้กายรู้ใจเองไม่ได้เวลาที่เรารู้กายเราก็ไม่รู้ใจเวลารู้ใจเราก็ไม่รู้กายจิตทํางานได้ครั้งหนึอย่างเดียวถ้าสังเกตให้ดีองนั่งฟังหลงพ่อเนี่ย เก็ยร์ให้ดีนะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยแล้วหน้าหลวงพ่อก็เริงเริงเหมือรู้สึกไหมหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารลองมองเป็งใครก็ได้ลองมองหลวงพ่อสิเด็ดหน้หลวงพ่อจะต้องเริงเริงหมองได้ไม่ชัดคงที่หรอกเอะไรเพรจิตมันเกิดระดับไม่ใช่ปฏิหารนะในขณะที่เรามองนะแล้วก็ไม่ได้ฝันแล้วก็ไม่ได้คิด ขณะที่คิดนะก็ไม่ได้มองขณะนั้นก็ไม่ได้ฟังเงื่อตอนที่ฟังก็ไม่ได้คิดแต่ต้องฟังสลับกับคิดสังเกตออกไหมไมะในขณะที่ตามองเห็นรูป ก, ก็รู้แต่รูปอย่างเดียวขณะที่หูได้ยินเสียงก็รู้แต่เสียงอย่างเดียวขณะที่ใจคิดก็รู้แต่ความคิดอย่างเดียวรู้แต่เรื่องที่คิดอย่างเดียว ดังนั้นจำเป็นชาติของจิตเนี่ยรู้ว่าลมได้ครั้งหนึ่อย่างเดียวสลับไ้สลับมาแต่มันสลับเด็วสลับเร็วจนเรารู้สึกเราดูอยู่ตลอดเวลาฟัางตลอดเวลาคิดตลอดเวลาแต่ถ้าสังเกตให้ดีมันสลับเนังนั้นจิตรู้ว่างลงได้ครั้งหนึ่อย่างเดียวนี่บางคนไปทานอาหารนะร้านที่มีนักร้องสวยๆด้วยมีดนรีร้องอด้วยอาหารก็อร่อยด้วยแพงๆด้วยพวกนี้ขัดทุน ลักษะที่รู้รสเนี่ยนะแต่ไม่ได้ยินเสียงสิขาดทุนไปแล้วพ่อพูดแต่เราอะไม่ได้ยินขนาษะที่ดูสาวสวยนะั่นแหละกินอาหารเนะี่ยไม่รู้รสเพราะเงินพวกนี้ขาดทุนนะบริโภคได้อย่างเดียวแต่ซื้อค่าบริโภคหลายอย่างไม่ฉลาดนะเงืนอยากฉลาด ก, ก็จะกินแล้ว ก, กินนะมีสนใจดูกนะันเลยก็ไปต่งเกล็กประกอบอเกล็รู้ติดไหมเห็นหรืเราไปยืน ดืมทะเลหนภูขเขานั้นมองโลกกว้างๆภาพาหน้าเราดูใหญ่โตโลกใหญ่ไม่เลิกสังเกตให้ดีเวลาเรามองแล้วเรามองเห็นจุดเล็กนิดเดียวเรามองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเราก็ได้เรามองแบบต่อจิกซอนสังเกตไหมเดีย๋ยวเรามองตาซ้ายเดี๋ยวเรามองตาขวาเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยๆสแกนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จำภาพ สร้างภาพรวมขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาเรามองเห็นได้นะเป็นจุดที่เล็กนิดเดียวเพราะนรูปในโลกมีเยอะแยะแต่รูปที่เรามองเห็นมีนิดเดียวเสียงในโลกมีเยอะแยะแต่เสียงที่เราได้ยินแต่ละฟั้งมีนิดเดียวอย่างนักร้องอุทสาร์ร้อง้วใจลอยนิดเดียวไม่ได้ยินหรอกเพราะเราได้เราสัมผัสโลกได้นิดเดียวอยากเป็นเจ้าของโลกทุกโลกมันไม่ฉลาด ลองดูหน้าตรคนข้างนะแล้วเราจะพบเลยว่าเ อ, อมองหน้าก็ได้ไม่ชัดหรอกลองมองดูเลยข้างๆเราจะเห็นเลยว่าจริงๆอะมองหน้าก็ได้ไม่ชัดเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยๆรู้สึกไหมมองตรงนี้ทีตรงนี้ทีแล้วก็ต้องอาศัยความจำเลยถึงจะจำาน้าได้ตามองเห็นอะไรตามองเห็นสีเล็กๆทีดียตามไม่ใช่มองเห็นหน้าคนตามองเห็นจุดของสีเล็กๆเท่งนั้น หูก็ได้ยินเสียงนิดเดียวสมูกก็ได้กลิ่นนิดเดียวลิ้นก็รู้รสนิดเดียวอย่างอาหารหนึ่งคำเนี่ยมีสารพัดรสเลยนะในอาหารหนึ่งคำแต่ละ ร, รู้รสที่เด่นเด่นอันเดียวขัดขืนทั้งนั้นนะเป็นมีปริทางขางคุณดูงของออร้ารอหารเนี่ยฉันเข้าวูงจะไม่อร่อยเนะเพรามีสติต้องเกิดเก๋ริมีอร่อยแล้วงูบอกไม่ใช่ ร่านอาหารในชันข้าวเปล่าอร่อยเนี่ยเพราะว่าท่นบอกว่าประสาทลิ์ขอ่านรับรู้ได้ชัดเจนเพราะท่านสติสูงแ้วท่านเคี่ยวข้าวเปล่าเนี่โอ้ข้าวนี่หวานนี่ข้าวนี้หอมเยของเราไเคี้ยวอะไรก็ไปดูเลยนะรับไหบก็อย่าดูนั่นแหละขาดสตินะทงอันนี้ฟ้า ใครฟังไม่รูเรื่องก็เอาปีสามไปมเปล่ามต้องฟังนะฮะต้องคนคนค น, ค น, ค, นคนไหมคนฟังจะเป็นปีปีบางคนต่างครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะจิตตื่นนะบางคนสองสามครั้งรู้เรื่องบางคนปีหนึ่งสองปีสามปีรู้เรื่องบางคนยี่สิบกว่าปีเว่รู้เรื่องต้องมีนะไม่ใช่ว่าทุกคนฟังขลงพ่อเรารู้เรื่องคนไหนฟังเราคิดมากไม่มีบันเรื่อง แต่คนไหนไม่ต้องคิดมากไป อ, อ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแค่เดียวก็เข้าใจพ่ะหลวงพ่อไม่ได้สอนธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้หลวงพ่อบอกแค่วิธีที่เราจะปฏิบัติคือให้คอยรู้สึกตัว